เรื่องธรรมะเก็บตกเกี่ยวกับงานศพก็แล้วกันเพราะในชีวิตของธรรมะเนี่ยไปงานศพมากมายเลยแล้วก็เจอเหตุการณ์ต่างๆอามรนามาสอนใจเราได้อย่างเมื่อวานไปงานศพแม่หออาจารย์โนต้ตอาจารย์โน้ตก็ขึ้นพูดธรรมะธรรม า, า, ารก็สะดุดธรรมะอยู่ท่อนหนึ่งที่ท่านพูดข้อ ท, ที่เปิดตัวที่ท่านบอกว่าเงินทองส่งได้ถึงโรงพยาบาลญาติพี่น้องส่งได้แค่หลุมฝังศพ บ, บุญบาปส่งไปถึงชาติหน้าภาวนาส่งถึงนิพพาน ทำให้รามาหรือถึงธรรมะสมัยที่เล่น f เฟซบุ๊กใหม่ๆตอนนั้นหัดเล่นเคยไปหาอาจารย์นาชัยให้เขียนธรรมะอะไรดีคมๆอ่ะลงเฟซบุ๊กไงก็ตรงกับที่อาจารย์นรสพูดเลยแหละสี่คำเป็นลง Facebook สั้นๆแต่ความหมายมันลึกนะขยายความได้ถ้าพิจารณาดีเนี่ยมีคติสอนใจมากเลยเงินทองส่งแบนถึงโรงพบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงคนรวยจะได้เปียกคนจนตรงเนี้ยตรงที่ว่าเวลาเจ็บป่วยป่วยหนักๆเนี่ย บางคนจนไม่มีเงินรักษานะโรคที่ไม่จช่มะเร็งหรือโรคเบาหวานโรคไตโรคที่ใช้เงนเยอะๆบางทีก็ปล่อยไปตามยถากรรมหายก็หายบ้างไม่หายบ้างช่วยเหลือตัวเองตามที่ช่วยเหลือได้แต่คนรวยเนี่ยสามารถผ่าตัดได้อยู่ห้องพิเศษได้ทั้นข้อนี้คนรวยได้เปรียบได้เปรียบคนจนมากเลยเรื่องเงินทองมีเงินทองเนี่ยได้เปรียบญาติพี่น้องทรงไปได้แค่ เมนหรือหลุฝังศพคนจีนที่เขาจะฝังศพก็ห่วงซุยง้ย่งไปได้แค่นั้นแหละไปไปไกลกันนะั้นไม่ได้แล้วหรือไม่กระส่งที่เชิงตะกอกเวลาเผายาตพี่น้องหรือคนรู้จักกันส่วนบุญบาปส่งไปได้ถึงชั้นหน้าพอติดตามเราไปทุกหัวทุกแห่งภาวนาภาวนาก็คือเจริญสติสร้างควาสุกตัวหรือภาวนาในรูปแบบต่างๆอ่ะ ไอ้ถึงที่ผ่านได้เลยคนจะกองทุกข์ได้ก็เลยมีทิทานแต่งผมมาอวัไม้หลายเรื่องเลยที่เกี่ยวกับเรื่องเนี้สี่สี่ข้อเนี่ยอย่างเรื่องหนึ่งเขาแต่งไว้ว่ามีเศรษฐีอยู่คนหนึง่งมีภรรยาสี่คนเศรษฐีเองเนี่ยก็ใกล้จะตายแล้วคือรู้ว่ากำลังจะตายถึงเรียกภรรยาสี่คนมาเพื่อจะชวนไปอยู่ด้วยแกขี้เหงาเขายังเรียกภรรยาคนแรกมาภรรยาคนเนี้เศรษฐีรักมากเลยนะโอ้โหรักแบบตามใจทุกอย่าง ไปไหนไปด้วยไม่ยอมห่างแม้แต่ก้าวเดียวคอยติดตามทุกคนทุกแห่งเลยภรรยาคนเนี้เศรษฐีเคยคิดว่าพี่กําลังจะตายอีกวันสองวันเนี้ยลงหน้าโคงเหงาหน่องจะไปอยู่กับพี่ไหมภรรยาไปเสียทันทีเลยบอกไม่ไปอะ่ะถ้าพี่ตายก็จบกันแค่ตรงนี้เศรษฐีเ ส, สียใจมากเลยที่ถูกภรรยาคนแรกไปเสีจึงเรียกภรรยาคนที่สองมาเศรษฐีรักภรรยาคนนี้มากนะรักมากแล้วทำทุกอย่างเพื่อเธอแหละทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะได้เธอมา แล้วก็เอ่ยขึ้นเหมือนเดิมอะ่ะว่าน้องจะไปอยู่กับพี่ไหมภรรยาคนที่สองก็ไปเสียดเหมือนกันบอกตอนแรกน้องกไม่ใช่ของพี่หรอกพี่ไปช่วงชิงน้องเข้ามาเธอก็ไปเสียดทันทีเลยบอกถ้าพี่ตายน้องก็จะไปมีคนใหม่แล้วโอ้เศรษฐีเสียใจมากเลยภรรยาคนที่สองนี่ไปเสียแบบนี้ไม่ทันยังเหลืออีกสองคนเรียกคนที่สามมาภรรยาคนที่สามนี่ก็นานเศรษฐีถึงไปหาแักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยรักเท่าไหร่ คือแบบว่าอยู่กันแบบขอไปทีอยอะไรเงี้ยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยรักแต่เธอก็จัดการอะไรทุกอย่างให้เศรษฐีนะดูคอยดูแลคอยใจใส่เศรษฐีอย่างดีเลยหรืออาจจะไม่ค่อยสวยก็ได้ก็ถามว่าน้องจะไปกับพี่ไหมโรคหน้ามันเหงาเหลือเกินภรรยาก็ปฏิเสธบอกน้องคงไปลำบากกับพี่ไม่ได้หรอกอย่างมากก็ไปส่งแค่ไปส่งพี่ได้แต่ไปด้วยไม่ได้เศรษฐีก็สบายใจขึ้นมาหน่อยอย่างน้อยก็ไปส่งถึงไม่ไปด้วย สุดท้ายก็ไปเรียกภรรยาคนที่4มาพรรยาคนที่4ี่ในเศรษฐีไม่รักเธอเลยแล้วก็ไม่คิดถึงแล้วก็ลืมเธอด้วยแต่เธอเป็นคนที่ขยันขันแข็งและช่วยเหลือเศรษฐีเบื้องหลังมาตลอดแต่ก็ถูกถูกลืมนะเศรษฐีก็เอ่ยขึ้นว่าน้องจะไปกับพี่ไหมน้องเป็นภรรยาของพี่จะตามพี่ไปทุกหัวทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นชาตินีน้หรือชาตินหน้าพี่ไปไหนน้องก็จะไปด้วยแล้วรู้ไหมว่าภรรยาคนที่4คือใครคนแรกคือใครคนที่สองคือใครคนที่สาคือใคร ตัวเศรษฐีก็คือคือจิตอะส่วนตัวภรรยาคนแรกภรรยาคนแรกก็คือร่างกายร่างกายเราก็ต้องเปื่อยเน่าเวลาเราตายเนี่ยมันก็ไปกับเราไม่ได้ก็จบลงแค่นั้นแหละแต่คนเราจะทําทุกอย่างเพื่อให้ร่างกายเราดูดีนะบนเปลถ้าเป็นผู้หญิงก็แต่งหน้าแต่งตาเขียนคิ้วทาอะให้สวยเพื่อให้ดูดีไนงะคือเอาใจใส่มากเลย อ, อยู่ผู้หญิงทุกคนจะทุกข์มากถ้าเป็นสิวหรือรู้สึกว่ตัวเองไม่สวย แล้วบางทีกกลัวไม่กล้าถ่ายรูปเลยแต่ละคนสวยก็ถ่ายได้เต็มที่เลยันแต่ละคนจะมีความมั่นใจไม่เหมือนกันแต่เรื่องร่างกายเราก็จะให้สวยตามใจเรามันก็ไม่ได้มันก็อยู่ที่กรรมบุงแต่งเหมือนกันนะเราเคยทําบุญไว้ดีเกิดมาชาตินี้ก็สวยหุ่นดีสูงโป่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทําบุญไว้ไม่ดีก็อาจจะรูปร่างไม่สมส่วนองค์ประกอบไม่ค่อยดีอันนี้อยู่ที่บุญกรรมบุงแต่ง ไม่ได้อยู่แตมหน้าของเราถ้าเราอยากสวยอยากร่างกายดีก็เขาทำบุญดีๆไว้ทำบุญให้หน้าตาสวยก็นู่นแหละเช็ดพระรูปหรืออะไรเกี่ยวกับพระอะไราเงี้ยถวายดอกบัวดอกไม้งามๆเห็นพระพุทธรูป ส, สกปกก็คอยล้างคอ ย, ยเช็ดให้เงาวับอะไรเงี้ยให้ใครเห็นสบายใจอ่ะอันนี้เกิดชั้นหน้าอาจจะหน้าตาดีหรือสวยได้ร่างกายพอเปื่อยเน่าไปก็จบกัน ไปไม่ได้ส่วนภรรยาคนที่สองก็คือทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเดิมทีไม่ใช่ของเรานะต่อให้เรารักมากขนาดไหนเราไปชิงออกมาเนี่ยเราเกิดมาไม่มีไม่มีอะไรเราเกิดมาตัวเปล่าไงพอถ้าเราตายไปทรัพย์สมบัติเนี่ยไม่ของคนอื่นไปของลูกถ้าคนไม่มีลูกก็ไปของภรรยาหรือของสามีหรือของญาติพี่น้องอะไรเงี้ยไม่ใช่ของเราเลยเขาเรียกว่าผัดกระเชยชมนั่นเราจึงเอาไปไม่ได้เลยถ้าตายไปของคนอื่นหมดแล้ว มาเห็นมาหลายรายแล้วนะอย่างพระตายในวัดเนี่ยเมื่อก่อนมีอาจารย์ท่านหนึ่งตายโอ้โหพระนี่ไปช่วยกันขนของทั้งวันเลยขนนุ่นขนดีบไปของเราอนะไรเงี้ยอันมาไปขนไปงานได้หนังสือคนอื่นก็ขนของดีดหมดเลยหนังสือคนกกลับมนะไม่ค่อยเอาเะพวกพระก็ไม่ค่อยชอบเลยไงพวาเราก็ได้กับพวกนี้แหละชีวิตบนเวียนและพวกไอเกี่ยวกับเรื่องที่คนเขาไม่ค่อยสนใจกันคนก็โสดโต๊เฟอร์นิเจอร์ของใช้ดีๆอะเราก็สังเวชใจนะโอ้หูยามที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ย ของทุกอย่างก็เป็นของเราไงพอตายปุ๊บเนี่ยไปกองคนอื่นแล้วของใครก็ไม่รู้อยู่เหนือหน้าการควบคุม น, นี่พูดถึงพระมีสมบัติได้น้อยนะแต่ถ้าเป็นโยมแบบที่รวยๆจะถักจะเกิด อ, อะไรขึ้นถ้าสมบัติเยอะแยะเนี่ยบางทีพวกตีกันฆ่ากันก็ได้เพราะแย่งสมบัติกันฝ่ามโลภไม่เคยปราณีใครอันนี้จะเห็นได้เลยแม้ว่าพระหรือข้างนอกอะไรเงี้ยทุกคนโลภจะโลภมากโลภน้อยแสงออกอะไรเงี้ยทรัพย์สมบัติเราจึงเอาไม่ได้ถ้าตายก็เป็นของโลกต่อไป ต่อมาภรรยาคนที่สามภรรยาคนที่สามนี่ก็คือญาติพี่น้องหรื อ, อครอบครัวเราเนี่แหละไปส่งเราแล้วอย่างมากก็แค่เมนหรือหลูกฝังศพอ่ะไปไกลกว่านี้ไม่ได้ละไปได้แค่นั้นเองแล้วญาติพี่น้องนี่ก็เราก็ไม่เคยรักเขาหล่นะบางทีก็เจอกันนานๆเจอกันค้างส่วนมากถ้าคนมีครอบครัวอยู่ครอบครัวมากกว่าจะอยู่กับคนรักมากกว่าอยู่กับลูกอยู่กับเมียถ้ามีผู้หญิงก็อยู่กับสามีกับลูกญาติพี่น้องนี่ก็ นานๆเจอกันครั้งหนึ่งนานๆพบปะกอันทีนึงถือไม่ถึงไม่ถึงกับมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยฝามรักเริ่มลงลงไปอย่างเรามาเคยไปงานศพของญาติตัวเองนะงานไม่ได้ใหญ่เหมือนอาจารย์โ น, นหรอกเพราะว่าคนกรุงเทพบางทีก็คนจะไม่รู้จักกันมากขนาดนี้ไปจัดที่วัดญาติพี่น้องเราไม่เจอกันานานๆทีพบบันทีหนึ่งก็คุยกันสนุก บางคนก็แก่งอมเลยว่เาเราก็แก่บางคนก็ไม่เจอกันละไปสิบปีก็มีพองานศพเนี่ยอย่างเมื่อสองปีก่อนเราไปงานศพณสาวปีที่แล้วก็ไปงานศพน้าเขยตัวน้องน้องอารมาก็ไปเยี่ยมไปไปงานศพด้วยกันก็คุยกันหรือเจอคนรู้จักส่วนมากก็เป็นญาติใกล้ชิดเพื่อนคนรู้จักคณะที่เข้าไปก็จะไม่มีแบบแม่อาจารย์โนทึง่งรู้จักคนกว้างกว้างไงจะใหญ่โตมโหลาอะไอย่างเมื่อวานงานศพงานใหญ่มากงานใหญ่อารมารู้จักคนเยอะนะแต่วา่าวันไม่ค่อยได้คุยกับใครเลย เพราะว่าอาการที่คนเยอะนี่แหละทำให้ไม่ได้คุยพอไปนั่งปุ๊บพอเลิกงานก็ตาคนตกลับแล้วถ้าเราไปคุยเขาเดี๋ยวก็รอเราเขาก็รีบกลับเปอนกันเราก็เลยทําให้คนเยอะกลับไม่ได้คุยไอ้คนน้อยกลับได้คุยอันนี้ก็เป็นแง่คิดเป็นกันนะงานศพที่ใหญ่อะดูเหมือนใหญ่ดูอย่างคนเยอะแยะหมดอะการพูดการทักทายกันแทบไม่มีเลยพระที่เรานานานเจอทีก็มาเจอกันงานแบบนี้แหละบางทีก็ไม่ได้เห็นกันานานการที่เราไม่ได้เห็นกันานานเนี่ยบางทีก็เห็นว่าแก่ขึ้น ฉลาภาพขึ้นบางคนก็อ้วนขึ้นบางคนก็ผอมลงแล้วแต่เหตุแล้วแก่แล้วแต่การปรุงแต่งก็แล้วกันเอาแน่นอนเลยไม่ได้กานศพถึงสอนอะไรเรามากมายเลยผ่อนญาตพี่น้องส่งเราได้แค่ได้แค่เมนไป่กายร น, นี้ไม่ได้แต่ภรรยาคนสุดท้ายอันนี้คือบุญบาปเป็นภรรยาที่เราไม่ค่อยรักเขาเลยไม่สนใจเลยซ้ําเป็นภรรยาที่เราลืมอะ่ะถูกลืมแต่ภรรยาคนนี้กับสนใจเรานะ เวลาเราทําความดีหรือทำความชั่วมันบันทึกไว้หมดเลยพรยาคนนี้จดไว้จดไว้จดไว้ไวเวล า, าทําความดีก็ให้ความสุขกับเราเราทาไม่ดีก็ให้โทษกับเราบุญบาปนี่บางทีเราไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกเราสามารถเช็คอยู่กับปัจจุบันได้เพราะาชาติหน้าเนี่ยมันไกลแบบาที่เราอาจจะอาจจะไม่ค่อยเชื่อไงบุญบาปชาติหน้าหลังตายแล้วอ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเช็คได้เรามีความสุขความทุกข์ ถ้าเราทำบุญกุศลไว้จิตใจเมตตาเราก็มีความสุขช่วยเหลือคนอื่ น, เ ป, นเป็นมิตร ก, กับผู้คนหมาแมวสัตว์เลี้ยงต้นไม้แต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเป็นมิตรกับใครเลยมองซ้ายมองขวามีศัตรูแล้วสิบทิศอันนี้ทุกแน่นอนเมื่อก่อนก็มีพระที่มันารู้จักเนี่ยมาอยู่ที่ไหนก็โดนไล่พอเข้าไปทะเลาะคนทัวไปหมดคือเป็นคนที่ จิตมองทางลบไงมองโลกทางลบชอบทะเลาะคนพวกนี้อยู่วันนี้ก็โดนไล่ออกไปไปวัดอื่นก็โดนไล่อีกชีวิตจึงวนเวียนแต่เรื่องโดนไล่แล้วก็เที่ยวบ่นว่ามีไหรักกราเลยมีแต่คนเกลียดแต่เขาลืมดูตัวเองว่าเขาทําเองนั่นเลยคือเขาเกลียดทางคนอื่นเขาเหลือเกลียดทางเราแต่ถ้ารักความรักก็รักต่ออะ่ะอันนี้ก็เป็นกรรมไงเป็นกรรมที่ตัวเองทําไว้ทําดีย่อมได้ดีทําชั่วย่อมได้ชั่ว น, นี่บุญบาปส่งผลปัจจุบนันไม่ต้องรอตอนตาย สี่เราทำไปบ่อยมันจะเป็นนิสัยนะนิสัยเราเคยชินอัตโนมัติเลยถ้าเราทําบุญแจกแล้วน้องไปทางบุญทําเมตตาก็น้องไปทางเมตต า, ตาแต่ถ้าเราไปคนสะสมความโกรธความเกลียดเราก็จะคนขี้โมโหาเจอใครผู้ผิดหูนิดหน่อยก็โกรธแล้วอ่างตัวประมาณเป็นคนโกรธยากจะโกรธต้องมีความเกลียดแฝงด้วยแต่ถ้าธรรมดาเนี่ยจะไ่อยโกรธหรอกบางทีถูกพูดเล่นพูดอะไรไม่ค่อยถืออ่ะ แต่ถ้าโกรธขึ้นมาเพราะความเกลียดจะน่ากลัวมากเราเลยเราเลยดูไอ้ความโกรธถ้าเกิดมันมีความเกลียดแฝงเนี่ยอันตรายถ้าเพอสติถึงจะฆ่ากันได้เลยนะถ้าความโกรธมีความเกลียดแฝงแต่ถ้าความโกรธไม่มีความเกลียดมันก็เป็นความโกรธธรรมดาไม่มีอะไรเป็นความไม่พอใจธรรมดาแล้วมันก็หายไปอันพวกโยมต้องระวังเรื่องความเกลียดต่างความโกรธอะน่ากลัวเนี่ฆ่ากันได้ง่ายๆเลยเพราะมันมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเป็นเรื่องตัวตนอะไรก็แล้วแต่แล้วคนสะสมมา แต่คนโกรธโกรธแล้วแสดงออกเลยนะไอ้พวกโกรธแสดงออกเลยพวกนี้ อ, อันตรายไอ้พวกเฉยเฉอันตรายพวกเงียบๆไม่ค่อยพูดกับพวกที่บงเบงตีโปยตีพายไอ้พวกตีโปรตี พ, พายนะของปลอมเวลามีเรื่องไม่เท่าไหร่เวลาเข้าเรื่องจริงก็หนีแต่พวกที่เงียบๆเนี่ยน่ากลัวเผื่อมันฆ่าได้เลยเพรนฝังลึกอยู่ข้างในคนจริงเเขาจะไม่พูดว่าเฮ้ยฉันจะตีแกฉันจะไอ้นู้นไอ้นี่นักเลงไม่คุยเลยแม่แด้คําเดียว แต่พวกปอมที่คุยโตโอดวดวลาเรื่องจริงนี่โอ้โหแบบหนีแหละหนีกลัวเจอมาเยื่อยแล้วมันก็เลยต้องดูแต่ก็ไม่ดีอนะ่ะพวกความโกรธมันมาเป็นอาจารย์สอนธรรมะเรานะความโกรธความเกลียดเนี่ยถ้าเกิดได้บ่อยถ้าเราผ่านไปได้มันก็ลดความแรงลงไปลดความแรงลงไปแต่คนไม่เห็นเนี่ยมันเกิดแล้วมันแก้ไม่ได้เลยนะคนไม่เคยเจอเนี่ยไม่เคยเจอประสบาการณ์เรื่องโกรธเรื่องเกลียดเนี่ยเกิดขึ้นมาได้รุนแรงน่ากลัวนู่นอะอยู่ตารางแล้ว ติดคุกติดตารางหรือไม่ก็โดนข้อฆ่าตายเพราะทะเลาบาะแว้งเรื่องไม่เป็นเรื่องแต่ละคนรู้จักมันเห็นอันตรายจากมันเนี่ยมันก็ลดความ ร, รุนแรงลงไปเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็ผ่านไปเลยอันนี้ก็คือการเรียนธรรมะในเบื้องต้นที่ทุกคนมองข้ามบางทีเรื่องฟวามเคยชินอุปนิสัยอทุกค น, นจะมีจิตใจเขาเรียกว่าเถื่อนอยู่เบื้องลึกทุกคนแหละแต่มันจะแสดงออกมาหรือเปล่าใครจะยอมรับหรือเปล่า สัญชาตญาณดิบสัญชาตญาณเถื่อนอะไรเงี้ยมันถูกหมกไว้จากจากจิตหรือสํานึกอันจิตสํานึกเนี่ยบางทีเราควบคุมไม่ได้หรอกมันสะสมความสะสมประสบาการณ์ที่เลวร้ายต่างๆไว้มันจะระเบิดออกมายามที่คุย้ยอันนี้น่ากลัวเราต้องรู้ไว้จิตสํานึกเนี่ ย, ยท่านทุกคนจึงมีแผลใจแล้วก็เถื่อนมีสัญชาตญาณดิบอยู่ตาบใดที่ยังไม่เป็นโสดาบันถ้าเป็นโสดาบันปลอดภัยแล้วจะมีศีลบริสุทธิ์ไม่ตกอบายทั้นเราก็ต้อง ก็ตระหนักไว้เรื่องบุญบาปเนี่ยแล้วก็บางคนก็สงสัยเอ๊ะนรกสวรรค์มีจริงไหมยัยงมีเรื่องเซนอยู่เรื่องหนึ่งมีซาบุไร่อยู่คนหนึ่งชื่อว่าโนโบชิเกะเขสงสัยเรื่องนี้ว่านารกสวรรค์มีจริงไหมจึงไปหาอาจารย์เซนท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงโลกดังคืออาจารย์ฮากุอินะไปถึงเจออาจารย์ฮากุอินจึงเอ่ยปากถามเลย อ, อาจารย์นรกสวรรค์มีไหมอาจารย์ฮากุอินมองหน้าซาบุไร เราก็เอ่ยดูยเรเสียงแบบไม่ค่อยมีเท่าไหร่อ่ะเจ้าเป็นใครสมุไรก็บอกว่าผมเป็นสมุไรครับอาจารย์ฮาวีนก็เอ่ยต่อนะเจ้าใาเข่าเจ้าในหตาถั่วที่จ้างคนอย่างเจ้าเนี่ยมาเป็นองค์ขลั์ดูสิผมผอมเหมือนขอทานไม่เหมือนสมุไรเลยหนูชิเกอชักโกรชักเลิศไม่พอใจแล้วมือไปแตะด้ามสมุไราอาจารย์ฮาวีนก็เอ่ยต่อนะเหมือนหยามหยันอะ่ะเจ้าวพวกดากสามุไรไปด้วยเหรอดาของเจ้าเนี่ยคงจะ ขึ้นสนิมฟันคอข้าไม่ขาดหรอกแล้ ว, ลวหัวเราหา่าหาดูถูกย้ำยันโนโบชิเกะโกรธมากดึงฝักสซเ บ, บร์ไออกมาอาจารย์เราอินแทนรที่ตกใจกระเอิดได้น้ําเสียเวลาเรียกว่านั่นไงประตูนรกเปิดแล้วสซเ บ, บร์ไลได้ยินดังนั้นเนี่ยสติกับคืนมาทันทีเลยรีบสอดดับคืนฝักแล้วก็ก้มกราบขอเข้ามา อาจารย์ฮวุอินบอกนี่ไงประตูสวรรค์เปิดแล้วสรุปแล้วนรกสวรรค์อยู่ใกล้กันมากนะเราอย่าประมาทบุญบาปก็อยู่ติดกันคนดีติดคุ ก, กเพราะอารมณ์ชั่ววูบก็เยอะบางคนดูโอ้โหใจดีมีเมตตาเผลอๆไปไปท่าอไอคา่าคนตายแล้วติดคุกแล้วเพราะอารมณ์ชั่ววูบเป็นเหตุอารมณ์ชั่ววูบนี่ก็เป็นสายชัยน้นญาญเขาทำเพราะเขาหลงลืมตัวพอทําไปแล้วก็เสียใจเหตุการณ์ที่ทาลงไป เต้องใช้กรรมไปติดคุกติดตารางตายไปต้องตกระลกอะไรเงี้ยนั้นสติจึงมีความสำคัญสติแต่สติจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องภาวนาเพราะสติที่เราใช้กับทางโลกไม่ค่อยพอหรอกบางทีใช้กับจำมูนจำนี่มันจะใช้การไม่ค่อยได้เท่าไหร่พนั้นข้อที่สี่อะภาวนาส่งห้ถึงนิพพานเนี่ยจึงสำคัญเพราะถ้าเราภาวนามาสร้างความสุขตัวเนี่ยมันก็เลยทำให้ เข้าใจความคิดปรุงแต่งเพราะความคิดเดินมาแล้วก็ไปไนงะที่ความคิดมันมีมันมีอิทธิพลเหนือนเราเนี่ยพอเราไม่มีสติมันก็สั่งเลยคนที่บอกว่าเรานะไอคนนี้มาดูถูกเรานะสั่งไอ น, นี่ทําให้เราไม่พอใจนะจึงเราก็ตกอยู้ท่าความคิดเนะี่ยความคิดเอ้ยไปหาอร่อยกินนะีบางคนเนี่ยหาของกินอร่อยเนะี่ยเดินทางกาไกลเป็นร้อยโลมันก็ยอมนะเพราะความคิดมันสั่งตามใจปากไนงะ หรือทำอะไรก็ได้ที่ตามความคิดเป็นสั่งสั่งปุ๊บทําเลยอะไรเงี้ยบางเรื่องก็เชื่อได้บางเรื่องก็ดีแต่บางเรื่องก็ไม่ดีหรอก็ทําตามมันหมดอะความคิดอย่างที่อาจารย์พิสานพูดบ่อยมันก็เป็นเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็นนาที่เลวความคิดเนี่ยถ้าเราใช้มันมีประโยชน์ใช้มันถ้าความดีเป็นจิตอาสาหรือทำประโยชน์สร้รสางบูชาบุญส่วนเนี่ยเนี่ยมีประโยชน์เลยความคิดเนี่ยแต่เกิดมันใช้เรามันโหดเหี้ยมมาก มันให้ปานีเราเลยบางทีก็สั่งให้ไปทําเรื่องที่แบบไม่ดีอ่ะบางความคิดไม่อยากกินเหล้าเอก็ไปนั่งกินเหล้ากันได้เป็นวันวบางคนก็ติดอ่ะติดทุกสิ่งทุกอย่างที่ความคิดมันเสนออ่ะกิเลสความคิดมันนากิเลสมาให้ด้วยไงบางคนก็อยู่สนามม้าสนามมวยได้ทั้งวันแหละสนามบอลตามบอลบางทีก็ไปตามสาเรื่องโลมาอะไรพวกนี้กินเหล้าเขานารีความคิดมันก็สั่งงั้นคนทั่วไปตกไปถ้าความคิดเงินก็ไม่ค่อยเหลือ แถมบางคนกับเอาเงินอนาคตไปใช้ไอ้เงินปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีเยอะเงินอนาคตก็คือไปยืมคนเงินคนอื่นมาหรือไปกู้นี่ยืมสินไงเพื่อมาสรองกิเลสเมื่อเจนบ้านเป็นรถเป็นมือถืออะไรก็ต้องผ่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนเอาตังค์ตัวเองซื้อไม่ไ ม, ม่ีไม่มีปัญหาซื้อแล้วไม่เดือดร้อนใครอะไรเงี้ยแต่คนที่ไปบางทีไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยกิเลสเรนสั่งถ้าเราไม่อยากไปท่าของกิเลสเราก็ต้องมาภาวนา มาฝึกฝนตนเองอะ่ะถ้าเราภาวนาฝวามคิดมันก็ไม่แรงนะบางทีถ้าช่วงที่เราบิดสติไวๆเนี่ยแค่คิดถึงชื่อคนเราไม่ชอบเนี่ยมันตัดเลยนะโผลปุ๊บตัดปั๊บเลยแต่ถ้าเกิดเราสติอ่อนเนี่ยโอ้โหคิดไปไกลเนี่ยคิดถึงไอ้นี่เคยว่าเราเมื่อก่อนแล้วก็ตามไปเรื่องนู้นเรื่องนี้โอ้โหเป็นเป็นเป็นฉากๆเลยเหมือนในหนังเลยเพราะฉั้นคนรู้จกักความคิดจึงปลอดภัยกว่คนไม่รู้จักความคิดเราจะรู้ทันมาได้ก็ต้องมีสติ ไม่ใช่ไปต้องรู้ทันแบบดักมันนะรู้มาคิดไปแล้วเงี้ยเหมือนรถไฟผ่านไปแล้วแวบหนึ่งเงี้ยแล้วเราเห็นหางไว้เรื่องดีคือถ้าเราเห็นตรงนี้บ่อยๆชีวิตเราก็เปลี่ยนรถไฟรุนแรงเรื่องอารมณ์หรือการยึดมั่นถือมั่นเพราะเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตายึดถือไม่ได้เลยแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่รู้รู้จักความคิดเนี่ยเราก็จะมีตัวกูของกูนะไอ้นี่ก็กูแนละ้วของกู ยึดหมดอะจิตมันจะยึดจิตชอบยึดกายชอบปล่อยอย่างที่อาจารย์พิสารพูดอะกายมันปล่อยหมดล้วแต่จิตมันยึดนะมันเกาะนั่นเลยล่ะทุกอารมณ์บางทีอารมณ์สิปีมันก็มาเล่นเลยไม่ยอมเลิกที่มันควรปล่อยได้แล้วถ้าเราปล่อยวางได้เป็นถึงปล่อยวางไม่ได้รู้จักรู้ท่าทันมันเนี่ยชีวิตเราก็มีปัญหาน้อยลงอย่างงานศพเวลาไปเราก็ได้ธรรมะเพราะว่าอย่างสวดอภิธรรมสวดกุศลาถ้าเราดูทําแปลนะไม่ค่อยเกี่ยวกับานศพเท่าไหร่นะเป็นธรรมะขั้นสูงสอนคนเป็นมากกว่า คนตายไม่รู้เรื่องได้เลยแล้วก็ศพนี่ก็สอนสัจธรรมให้เราว่าเนี่ยสักวันเราก็ต้องนอนในโลงเหมือนเขาไม่มีใครหนีพ้นถ้าคนที่ตายเนี่ยแก่ลูกหลานจะไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่นะเพราะลูกหลานรู้ว่าเออคนแก่หรือแม้แต่ป่วยหนักใกล้ตายเนี่ยลูกหลานเขาทำใจไว้แล้วอะแต่ถ้าตายด้วยอุบัติเหตุเนี่ยคนจะเสียใจมากเลยตายเพราะถูกฆ่าตายหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยอันตรายเคยไปงานศพเนี่ยที่ผู้ชายเมียตายนะ เมียตายเมียท้องท้องโตแล้วแล้วเช็คดูว่ามีเป็นลูกคู่แฝดด้วยอะเมียสวยด้วยนะอีกไม่นานก็จะออกลูกอนะ่ะแล้วรถชนกันตายนะโอ้โหผัวเราร้องไห้ตีโพยตีพายน้ำลงน้ำลายแบบไปชักที่ชักงอะตอนเผาศพเห็นแล้วเราสังเวทใจเลยโอ้โหความรักแล้วมันเสียคนรักเสียลูกอะ่ะเจ็บปวดแค่ไหนอันนี้เป็นเรื่องเจ็บปวดมากเลยนะะสีสวยรักสุดมาสูญเสียโอ้โผู้ชายร้องไห้น้ำหูตาไหลแบบหมดสภาพเลย แต่คนคิดสั้นค่าโดยแต่ตัวตายตามก็มีการสบจึงเป็นที่สอนสอนใจเรานะ เ, าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจริงชีวิตสักวันเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครผิดพ้นนั้นเราก็ต้องทำความดีเยอะๆทำความดีแล้วก็มาสร้างของมสุกตัวให้ามากๆเพราะว่าความสุกตัวหรือสติจะช่วยเราได้ตอนตายคนอื่นช่วยเราไม่ได้หรอกตอนตายเนี่ยมันจะดงึงสิ่งดีขึ้นม า, นากุศลอกุศลขึ้นมาสติมันก็รู้ทันเป็นที่พึ่งได้ เราก็ต้องภาวนาให้มีสติภาวนาพูดมาก็เห็นว่าสมควรเกยบเวลาก็ขอญาตโยมมีความสุขมีความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปเอวัง